บังเกอร์ของการรบกับศัตรูของชีวิตก็คือสติสัมปชัญญะที่ตื่นตัวตั้งมั่นขึ้นมาเป็นบังเกอร์ที่ปลดเปลื้องชีวิตปลดแอกจิตวิญญาณจากการเป็นทาตของอารมณ์ทยานอยากความเอาแต่ใจตัวเองต่างๆนานา หลวงพ่อคำเขียนสวนโนบังเกอร์ของชีวิตเนี่ยมันคืออะไรก็คือการฝึกสติฝึกทำความรู้สึกตัว เพราะว่าตอนนี้นี่บางท่านเนี่ยอาจจะมีค่าศึกศัตรูเข้ามาประชิดทีด่จิตใจเราบ้างก็ได้เรามีบังเกอร์ที่ดีหรือยังเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้นี่อากาศกำลังเย็นอากาศหนาวๆนาวห่มผ้ า, า, า, าสวมถุงเท้าสวมหมวกแล้วก็นอนสบายมาละค่าศึกคือความขี้เกียจ บางท่านอาจจะมีความขี้เกียจกำลังทำงานกำลังทำอะไรอยู่รู้สึกมันหนาวมันมันขี้เกียจอันนี้ลหละคือตัวศัตรูร้ายในชีวิตของเราคนที่ขี้เกียจเนี่ยจะไม่ค่อยมีความก้าวหน้าในชีวิตความขี้เกียจจะเป็นกิเลสเป็นสิ่งที่เราจะต้องเอาชนะให้ได้กิเลสเนี่ยเช่นความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาริษยา ความท้อแท h, ้ขี้เกียจขี้ค้านอาการพวกนี้แหละเป็นอาการของกิเลสเราต้องมีสติเอาชนะเขาให้ได้กิเลสเนี่ยมีไว้เพื่อที่จะเอาชนะไม่ใช่มีไว้เพื่อจีให้เราทําตามเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราทําตามกิเลสเนี่ยเราจะต้องเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจแม้แต่คิดนี่ก็เหนื่อยแล้วเวลาเราเกิดความอยากขึ้นในจิตใจเนี่ย อยากที่เป็นกิเลสอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นใจเราเป็นยังไงรู้สึกเหนื่อยแล้วนี่ยังไม่ได้ทำตามนะแค่คิดอยากมันก็เหนื่อยจิตเหนื่อยใจแล้วคนที่ดูจิตจะเข้าใจในส่วนนี้ภาะวะนี้เป็นทุกข์ทางด้านจิตใจแล้วแต่ถ้าคนที่ขาดสติหรือจิตใจอ่อนแอเราก็จะต้องทำตามความอยากไปพูดมั่งเนี่ย ไปทำอะไรก็ตามเนี่ยทําตามที่จิตใจมันอยากเหนื่อยซ้ำสองแล้วทุกซ้ำสองแต่พอทาแล้วเนี่ยบางทีมันก็ไม่แดง ใ, ใจอยากนะพอไม่แดง ใ, ใจอยากนี่มันก็เหนื่อยอีกเนี่ยเป็นทุกซ้ำสามดับเบิลทุกเรื่องของกิเลสนะนี่แก้ความโลภนะถ้าความโกรธเน่นหนักก็ไปใหญ่เลยแค่คิดไม่พอใจใครเนี่จิตมันก็เหน็ดเหนื่อยแล้วถ้าเราไปทําตามความคิด ไปพูดไปว่าไปทำร้ายก็มันก็เหนื่อยแต่บางทีเราว่าเออมันหายละมันได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำเป็นความสะใจสะใจแล้วมันไม่ใช่สบายใจนะสะใจไม่ใช่ความสบายใจสะใจมันจะมีความโกรธอยู่ในจิตใจมันก็เป็นทุกข์แค่คิดก็เหนื่อยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากเหน็ดเหนื่อยไม่อยากทุกข์กายทุกข์ใจล้วก็อย่าทาตามกิเลส พยายามที่จะฝืนบางทีมันฝืนยากอันนี้น่าเห็นใจเพราะเราเคยให้อาหารเข้าไว้เยอะเคยสะสมความโลภความโกรธไว้เยอะจะฝืนมันกําลังสติเนี่ยยังไม่เพียงพอก็ไม่เป็นไรเรามีวิธีการตัดกาลังกิเลสโดยการอาจจะต่อรองซะบ้างรู้จักต่อรองเราอาจจะไม่ทําตามตอนนี้อะตอนนี้ขอไม่ทําตามก่อนขอเป็นตัวงตัวเราเองก่อนเลื่อนเวลาสักหน่อยเอาไว้เวลานั้นก็ทําอะไรเงี้นะ รู้จักต่อรองการต่อรอง <S <S กิเลสเนี่ยมันเป็นเทคนิคอย่างหนึง่งอย่างน้อยเราก็ไปทําตามละนี่เราชนะไปแล้วส่วนหนึง่งแล้วระยะเวลาต่อรองนานๆขึ้นเนี่ยบางทีมันจืดจางไปเลยนะเมื่ีกิเลสมันลืมนะบางทีมันดับไปเลยบางทีอาจจะดับเพราะว่ากําลังสติเราดีหรือดับเพราะว่ากําลังกิเลสมันหมดเพราะความไม่เที่ยงใช่ไหมกิเลสมันก็ไม่เที่ยงเราต้องมีสติเป็นบังเกอร์ รู้ให้เท่าทันแล้วก็ตัดกําลังกิเลสตัดอาหารเขาโดยการไม่ทําตามถ้าเราทําตามกิเลสทุก้ังทุกคราไปเนี่ยเท่ากับเราให้อาหารเขาต่อไปเขาก็จะอ้วนขี่คอเราได้เพราะนั้นเวลามันเกิดความโลภความโกรธความหลงเกิดความคิดที่เราเห็นว่ามันเป็นกิเลสล่ะให้เรามีสติเป็นบังเกอร์รู้เท่าทันอาการเหล่านั้นแล้วก็ไม่ต้องทาตาม กิเลสนี่ไม่ต้องไปฆ่าเขาหรอกแต่เราไม่ต้องไปทาตามก็นี่แหละคือเอาชนะใจตัวเองเนี่ยดีกาเอาชนะใจคนอื่นอีเอาชนะใจตนเองขออธิษฐาว่ากิเลสมีไว้เพื่อให้เอาชนะไม่ใช่มีไว้เพื่อให้ทาตามการปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านบุฟันถ้าจะให้ได้ผลเร็วเนี่ยเราต้องมีศรัทธา คือความเชื่อเชื่อว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยสามารถทําให้เราพ้นทุกข์ได้ทําให้ชีวิตเราดีได้ทำให้มีความสุขในชีวิตแก้ปัญหาชีวิตได้โดยเฉพาะการเจริญสติในแนวหลวงพอเทียนแบบเคลื่อนไหวหรือแบบการเจริญสติประฐานสีน่ทุกวิธีการที่เราได้ลงมือกราทำถือว่าวิธีการแบบเนี้ย สามารถนําพาจิตใจเราเนี่ยให้เอาชนะความทุกได้เราต้องมีความเชื่อมั่นแล้วเมื่อมีความเชื่อมั่นแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีสภาวะอื่นเนี่ยติดตามมาคือเชื่อว่าเราทำได้วิธีเนี้ยดีเดี๋ยวมันก็จะมีความขยันหมั่นเพียรแค่เราเชื่อมั่นเชื่อถือแล้วก็เดี๋ยวมันก็มีความเพียรขึ้นมาเองเป็นกระบวนการที่ตามกันมาเมื่อมีความเพียรแล้ว คือเพียรที่จะเลึกรู้อยู่เสมอๆ เ, เพียรทำให้ต่อเนื่องพอมีความเพียรแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นมารู้ไหมก็มีความอดทนอดทนที่จะทำทาให้นานๆความอดทนที่ทำให้นานๆเนี่ยเป็นตัวสมาธินะเป็นสมาธิที่เราไม่ต้องสร้างขึ้นมาเลยแค่เราศรัทธามีความเพียรแล้วขยันรู้สึกตัวเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีสมาธิมีความอดทนและที่สาคัญอีก ป, ประการหนึ่งก็คือ เราต้องทำให้ถูกต้องด้วยในภาษานักปฏิบัติเขาเรียกว่าทำให้เป็นเช่นการเจริญสติเราต้องทำลงไปที่กายที่ใจที่รูปที่นามดูอาการของรูปทำความรู้สึกตัวไปกับรูปเช่นรูปที่เคลื่อนไหวการยกมือเคลื่อนไหวไปมาการดูลมหายใจนี่คือดูรูปการเดินจงกรม อย่าไปดูในลักษณะของมันอย่างเช่นว่าเราเดินท่าไหนอันนี้ดูไม่ถูกเรายกมือแบบไหนดูไม่ถูกยกช้า ย, ยกเร็วอันนั้นยังไม่ใช่การดูให้ถูกต้องนั้นคือดูที่อาการดูที่ความรู้สึกที่มันเคลื่อนไหวไปมาดูที่ตัวรู้สึกมันตึงมันแข็งมันหย่อนเนี่ยคืออาการของรูปมันตึงอย่างไรมันไหวอย่างไร อาการเป็นอย่างไรเนี่ยดูอาการไม่มีชื่อสวยหรือไม่สวยนะ่นไม่ใช่รักษาอย่างไงไม่ใช่ช้าเร็วก็ไม่ใช่ดูตัวรู้สึกที่สติเข้าไปสัมผัสในอาการตึงๆไวๆเคลื่อนไปเคลื่อนมานี่แหละคือการดูที่ถูกต้องดูความรู้สึกของรูปคือกายส่วนจิตใจก็เช่นเดียวกันนะเราอย่าไปดูว่าใจเราเป็นอย่างไรสวยอย่างไรอย่าไปดู มันไม่มีให้เราดูหรอกมันเป็นสมมุติหวใจอย่างงนี่มันเป็นสมมุติใจที่แท้จริงนั้นมีแค่ความรู้สึกอย่างเช่นเวลามันคิดขึ้นมาเนี่ยให้เรารู้สึกว่าอ๋อนี่มันคิดจบอย่าไปรู้ยาวๆว่ามันคิดอะไรดีไหมอันนั้นมันเป็นสมมุติแล้วมันยาวแบยังดูไม่ตรงนะดูที่ความรู้สึกก็มันคิดแล้วกรจบเลยแต่ถ้ามันคิดไปยาวแล้วเราก็รู้ได้นะให้รู้ทันว่าอ๋อนี่มันสมมุตินะ รู้ทันอีกตอนนึงเราไม่ห้ามมันจะเกิดอะไรขึ้นให้เรารู้ทันเมื่อมันไม่คิดอะไรมีแค่ความรู้สึกอันนั้นเราก็รู้ทันอ๋อนี่คือความรู้สึกนี่คือตัวจิตรดร้วนที่มันแค่รู้สึกเท่านั้นดูในตัวปรมัตรธรรมที่ไม่มีชื่อไม่มีลนะักษณะมีแต่อาการหรือความรู้สึกความรู้สึกของกายอาการของกายหรือรูปนั่นแหละ ความรู้สึกของนามคือจิตอาการของจิตเนี่ยดูแค่ความรู้สึกแล้วก็จบเลยอย่างเช่นตอนนี้มันมีอากาศหนาวเกิดขึ้นเนี่ยใครมันหนาวรูปมันหนาวอันนี้จริงรูปมันไม่หนาวหรอรูปมันไม่รู้สึกอะไรหรอแต่ที่รู้สึกหนาวนั้นคือตัวเวทนานะเป็นตัวนามนามเวทนามันรู้สึกว่ามันหนาวเป็นทุกขเวทนา ส่วนรูปนั้นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่ให้นามเขาเอาศัยอยู่รูปส่วนหนึ่งความรู้สึกว่ามันหนาวเป็นทุกขเวทนาท่านส่วนหนึ่งสตินี่มันจะแยกแยะ แ, แบบนี้นะอย่ารวมกันว่าเราหนาวรูปมันเป็นทุกขไม่ใช่เราทุกขรูปเป็นทุกขสติผู้รู้เนี่ยคือตัวนามรู้ไว้นามรู้ไว้แต่ท่านตัวผู้รู้เนี่ยเป็นทุกขด้วย นี่เราหนาวเนี่ยเราต้องหผม้าหลายๆชั้นแล้วเนี่ยมันจะหนาวกี่วันน้อนี่มันเย็นเหลือเกินอันนี้นามทุกก็ไม่เป็นไรให้รู้ทันในความทุกข์ของนามด้วยใช่หไหมรู้ทั้งรูปทุกและก็นามทุกไม่ใช่เราเป็นทุกนะสตินี้ไม่มีเราในตัวนั้นนะถ้าเป็นเราหนาวเราทุกอยู่ก็ยังไม่ใช่สตินี้จะเป็นอิสระเหนืออาการของรูปของนามความหนาว เป็นเพียงอาการของรูปอาศัยรูปเกิดขึ้นแต่สติผู้รู้เนี่ยคือตัวนามชีวิตเราเนี่ยมันไม่มีอะไรไม่มีตัวเรามีแต่รูปแต่นามถ้าเกับเราหายตัวเข้าไปอยู่กับพระพุทธเจ้าเลยนะหายตัวแล้วไม่มีตัวเรามีแต่รูปกับนามร่างกายคือส่วนของรูปจิตคือภาะวะที่รู้เนี่ยเป็นส่วนของนามเขอาอาศัยกันเกิดขึ้น แม้ว่าเราเกิดความหนาวอยู่ขณะ น, นี้ก็ไม่เป็นไรถือว่านี่แหละคือแบบฝึกหัดบทเรียนให้เราได้เจริญสติอย่าปล่อยให้เราหนาวฟรีฟรีทุกฟ์ีฟรีให้เราบิสติรู้เท่าทันเอาความหนาวความที่เป็นทุกขเวทนาเนี่ยมาเป็นอุปกรณ์เจริญสติไปซะเลยเปลี่ยนทุกขให้เป็นไม่ทุกขเปลี่ยนความหนาวเป็นความรู้สึกตัวเปลี่ยน ปัญหาให้กลายเป็นปัญญา